เยย้วก็คงเขียนจะบอกสนุกปว ย, ยสนุกวนปวยที่จริงปฏิบัติธรรก็สนุกแต่เราแร่โยมเนาะมนความก็สนุกแบบไหนค่ะมันเนี่ยตั้งใจันจะลอกเนะก็คือลองเดชหมคะี่เดินไปเมื่ยอยแล้วก็จะอยาก น, นั่นี้ตลอดเพราะว่าเออนะมันมันปวด้วนะก็เปนนลี่ยนท่าเป็นแ่ะก็ปวดน้อลง เราก็เราเราก็ลองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้ค่ะดูว่าถายวิธีบรรเทาความปวดแล้วก็ให้มันเดินต่อไปได้ค่ะ้วเราได้เรื่องก็สนุกมีสนุกาการทดลองับ่ากับการับังหวะการเนนคได้ไมเรแล้วเราก็มันคล้ายๆเรียนดูเทคนิควิธีการต่างใดแล้วก็รู้สึกตีกัคนอย่างเดียวใช่ไหมถ้าชนอย่างเดียวมันเหนื่อยแต่ถ้า คล้ายๆเหมือนมันเล่นเกมกับกับจิตกับกายก็ได้ได<อ>้เนี่ยก็สนุกแบบนี้แหละมันง่วงนอนถ้าเราเห็นว่าความสนุกเห็นไหม <c ười> ถ้าง่วงนอนนะก็อลองใช้วิธีนี้เราจะได้หาวิธีใช่ไหมหาวิธีู้ทํายังไงความง่วงถึงจะลดน้อยลงไปทําไมถึงอยู่กับความง่วงได้นั่นก็เป็นเหมือนเป็น กิจกรรมหน่งที่เราเอาไว้เรียนรู้ในชะ่ไหมกิเลสตัวอื่นก็เหมือนกันนะบางทีความคิดบางทีกิเลสต่างๆเกิดขึ้นถ้าเรามองเหมือนเว้าจะทํำยังไงถึงจะเรียน ร, ร, ยน ร, ร, ยนรู้ในการอยู่กับมันได้เรเห็นมันเกิดขึ้นเฉยๆไม่เข้าไปเป็นหรือบางทีเข้าไปเป็นแต่เป็นแบบไหนออกมาได้เร็วเนะี่ยก็คือเราก็เรียนรู้แบบนี้แล้วก็จัดสมุกนะ เดินส่วนตัวมาว่าการปฏิบัติธรรมสนุกสนุกในการกลับมาเห็นตัวเองแล้วก็พัฒนาทักษะในการที่จะออกจากความหลงความทุบความหลงมันก็เป็นมาว่ามันสนุกมันแล้วก็เป็นเรื่องที่ท้าทายนะท้าทายแต่ไม่ใช่ว่าจะแข่งขันนะการการท้าทายไม่ใช่การแข่งขันหรือไม่ใช่การ อะไรปนันขันต่ออะไรหร่ะหรือไม่ไปกวดใครไม่ได้ทําเพื่อเพื่อแข่งกับคนอื่นไม่ได้ทําเพื่อปวดคนอื่นแต่เราทําเพื่อพักมาดูตัวเองแล้วก็หาูุบายในการแก้ทุกตัวเองดับทุกตัวเองมันได้แค่นั้นเองมันถ้าสนุกแบบนี้โอเคสนุกแบบนี้หรือแข่งกับกี่เลยก็ให้แข่งแบบนี้แข่งอุบายในการที่จะ ก็อีด้ดนตะรีนะก็อีด้ดนตรีตัวสุดท้ายเหมือนที่อาจารย์ตุ้มบอกที่จริงก็มีแค่ตัวรู้กับตัวหลงนเหมือนก็อีด้ดนตรีตัวสุดท้ายก็ใครจะพร้อมก็อีต้ดนั้นได้อันนี้ก็เหมือนกันตัวรู้หรือว่าตัวหลงจะคลอมจิตนะมันก็แข่งกันสลับกนไปสลับกนมา เป็นไงกันบ้างถ้าเรา่าอเราเริ่ม่เหมือนจิันไม่ไป่อเรื่อ่หรือว่ามไม่คิดอะไรป็นรายยศเหมือนกับพอเราเริ่มมากิไม่ไม่กลอกลง่ได้แบออกมา แต่ดฟุ้งแทนใช่ไหมก็ต้องเหลือเนี่ยพอเราควไม่มีห่วงจิตมันก็ฟุ้งทีก็ฟุ้งไปยาวมันก็ไม่ปดีนอันนี้ก็ที่จริงความห่วงกับสมาธิมินใกล้กันมากนะก็มันเหมือนกับมันจะค่อยค่อยไคอยพอจิตเริ่มสงบ ลองคิดนิดเดียวก็คือคือเราอาจจะยกมืออาจจะทําอะไรเดินเพื่อค่าเดียวเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันอยู่นิ่งมากขึ้นให้มันมีหลักมากขึ้นอันนั่นแหละบางที ค, ความง่วงมันก็เลยใกล้เคียงกับสมาธิเพราะว่าจิตมันมีคิดตึงต้านไปเมื่อจิตมันไม่คิดตึงต้านมันก็เลยอาจจะเรียกว่าบางคนอาจจะง่วงแต่บางคนจิตก็ตั้งมั่นนะมันคิดแบบไหนเราสังเกตดู เราหาอุบไยในการใช้แบบไหนที่มันซึมเฉยๆแบบไหนที่มันมันไม่คุ้มซ้านแต่มันก็ร bon uh si ู้ด้วยต้ององดูตรงนี <h <h <h <h ้เราต้องหาวิธีเองพี่เดินไปนานๆมันก็หลับเดินไปหลับไปเอาเตะจะหลับโยมเคยเห็นเวลาเขาควายไปเด็กเนาะ ปลยไปเด็ใช่ไหมเด็กมันอยู่มันดนมันนอนอยู่ตรงนั้นมันเดินไปไฟไปมาะมันก็อ่วนมันก็หลับใช่ไหมเพราจังหวะเนี้ยบางทีเราข่อมใจเองจะหลับเองใช่ไหมเราคือบางทีจังหวะมันสม่ำเสมอเกินไปจิตมันก็เลยซึมเราเปลี่ยนจังหวะบ้างก็ได้เปลี่ยนจังหวะพอรู้สึกว่ามันจะซึมแล้วเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนท่าทาง หรือเปลี่ยนทยาหมดเลยก็ได้ถ้าเปลี่ยนแบบนี้นะมันจะยังรักษาความไม่ฟ้งค้านไว้แต่มันก็จะตื่นขึ้นมาเปลี่ยนจังหวะพอรู้สึกว่ามันฟูงเพิ่มอะไรเราเปลี่ยนจังหวะแต่จริงถ้าสติเราเราเรียกว่าเข้มแข็งมากขึ้นนะเราจะไม่เป็นเด็กที่มันนอนอยู่ในเป็นนะแต่เราจะเป็นคนที่กล่อยเต็เองพ่อแม่ที่กล่อยเต็ไม่ไม่่วงนะแต่พ่อแม่บางคนอาจจะง่วงใช่ไหม <c oughs> ง่วงตามเด็ก อันนี้ถ้าเราสังเกตดีสติมันออกมาดูอะ่ะมันจะรู้สึกว่าจิตมันสงบแต่ไม่เข้าไปอยู่ในความสงบ <c oughs> อันนี้นะค่อยๆดูเราต้องปรับเปลี่ยนเองเมื่อกี้นี่แหละรูปแบบท่าทางมันก็เลยบางทีทำไมคนพอทําสมาธิบางทีถ้าไม่จิตไม่เป็นสมาธิก็หลับไปเลยใช่ไหมมันใกล้กันมากใช่ไมมันใกล้มากพอดิ่งอยู่รมเดียว ถ้าจิตมันไม่ตั้งมั่นในสมาธิเลยก็หลับไปเลยมันง่ายทางเคิืไหวนี่ก็ยังช่วยได้เยอะแล้วนะแต่ก็ยังง่วงก็ธรรมดาแต่ที่จริงมันเอาว่าทุกคนต้องเจ อ, อวความ่วงเพรปฏิบัติธรรมต้องเจอทุกคนแหะกวาม่วงเจอครัพอเริ่มโย้โยกปันปก่อนเลยนั่นแหละนั่นแหละรู้สึกว่ามันเริ่มง่วงเปลี่ยนเปลี่ยน เป็นจังหวะเดินเหนือเปลี่ยนเดินยาวๆขึ้นเดินเร็วขึ้นเนียแต่อย่าไปรังเกียจตัวม่วงที่สําคัญนะตัวม่วงเกิดขึ้นก็รู้มันม่วงไม่ตเป็นไรพระโมคคัลนะขนาดเป็นพระอ่าโสดาบันแล้วยังม่วงฝึกๆเหมือนกันนะขนาดโสดาบันก็ยังม่วงนักภาษาไดเราผู้โดยชนก็ม่วงบ้างธรรมดาเนี่จ่อย่าไปอะไรมากบางคนจะดีดมันเข้าม่วง ก็มีเจดิตขโมยข้างนอก็าคนเจดิตลุ้งซ้านแล้วก็เป็ีนแปลแบบเออเป็นไงเออคือผมอยากจะพิสู<อ>จน์วิดีโอข้อเนะทนครับที่ที่ หลวงพ่อคำเขียนท่านได้พูดอยางพอรู้สึกตัวใช่ไหมแล้วก็ประกอบมีนักวิชาการก็มาถามหรือสงสัยหรือไม่รู้หรือเปล่าว่าเอ๊ะมันจะต้องมีศีลก่อนหรือเปล่าถึงจะมีความรู้สึกตัวใช่ไหมเพราะเพราะเข้าใจว่านักวิชาการ<พ>อาจจะรู้แต่ด้านปริญญาหรืออะไรวิปปอะไรนี่ไหมไมว่าต้องมีศีลก่อนแล้วก็สเต็ปต่อไปถึงมีสมาธิ ไปปัญญาอะไรเนี่ยคือคนนั้นอาจจะไม่เคยปฏิบัติอะไรเนี้ยแต่ความจริงมันธรรมะมันต้องสมังคีใช่ไหมมันต้องไปด้วยกันเพียงแต่ว่าเออตอนนี้ศีลเยอะหรือสมาธิเยอะหรือปัญญาเยอะอะไรเนี่ยมันก็ต้องไปด้วยกันไม่ใช่ว่ามีมีศีลโดนโด น, โดนแล้วมันไม่มีอะไรมารองรับหรือมาเชื่อมโยงอะไรเนี้ยใช่ไหมมันมันกัเป็นไปไม่ได้ถ้ามีแต่ศีลล้วน แล้วอย่างอื่นไม่เอาเลยอะไรเงี้ยคือมีสินแล้วมันก็ต้องมีอย่างอื่นตามมาด้วยคือมีความเมตตาใช่ไหมฮะมีความเมตตามีความสงสารคนตกทุกข์ได้ยากอะไรเงี้ยอยากช่วยเหลือไม่ใช่ว่าเออฉันมีสินแต่ไม่ยุ่งกับใครใครตกทุกข์ได้ยากฉันไม่เกี่ยวฉันมีสินอย่างเดียวก็พออย่างนี้มันก็ไม่รู้มีไปทำไมใช่ไหมฮะคอคือก็จกับ พ, พก็พูดชดนาที<ะ> สินโดยสมมุติสินห้าสินแปดสินสองรอยี่สิบเจข้อมันก็ที่จริงมันก็เหมือนเป็นแค่ตัวตัวที่สั้างขึ้นมาไว้กันแต่จริงถ้าสินโดยปริมาตรจริงๆมันไม่ใช่สินแบบนั้นสินโดยปริมาตรก็คือกายวาจากปกติเพราะที่จริงในสมัยพุทธกาลนัโยมวินัยพระเนี่ย เพิ่งมีมาหลังจากที่ผู้เจ้าท่านสอนธรรมะไปแล้วสิบสองปีสิบสองปีช่วงที่สอนธรรมะช่วงแรกไม่มีการบันจากพระวินบบัยพระไม่ต้องมีศีลแต่ไม่ใช่ว่าพระไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรท่านรู้ในตัวของท่านเองโดยไม่ต้องมีมีข้อมีกฎหมายมีวินัยมาบอกว่าอันไหนควรทําไม่ควรทำดังนั้นศีลที่แท้จริงคืออะไรถ้าเรารู้ตัวเองจริงแล้วก็มันก็สำรวมระวังได้นะ ที่เรางพ่อพูดก็ต้งองการย้งตรงนี้แต่จริงคนอื่นเขาเข้าใจแบบนั้นก็ก็เป็นเรื่องความเข้าใจของของเขานะแต่ถ้าเราเข้าใจจริงว่าเออเนี่ยที่จริงสินที่แท้จริ ง, ร ง, ร ง, รงคือตรงนี้จริงพวกพุทธิยถาท่านก็พูดไปชัดเจนว่าถ้าคนประพฤติธรรมก็สินก็ไม่ไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นในในแง่ของข้อที่เป็นข้อวินยัยแต่ถามว่าศินมีความสําคัญไหมก็ ม, มีความสําคัญเพราะว่าถ้าปุ้โดยชนคนธรรมดา ถ้าไม่มีสติก็จะทําผิดทําความไม่ดีได้ง่ายเพราะว่าไม่มีตัวนี้เป็นเครื่องยั่งย้ายฉะนั้นสิ่งก็เป็นคล้ายๆเป็นเครื่องเตือนใจว่าออย่างน้อยคําพูดจะพูดต่อไปพูดคําเทพหรือเปล่าพูดเธอเจอรหรือเปล่าใช่ไหมมันก็สํารวมระวบางการจะทําบางทีคนก็ขนองเนาะกินเหล้าไม่เมาหรอกนิดเดียวนะแต่ถ้าคนรู้เออขนาดมันไม่กินเหล้า สติก็ยังหายขนาดนี้กินกุลาเมรัยเข้าไปยิ่งขาดสติขนาดไห น, นก็รู้การทำร้ายคนอื่นการเบียดเบียนคนอื่นแล้วเบียดเบียนตัวเองด้วยก็รู้ใช่จริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเหมือนคล้ายๆพอเรามีสติรู้สึกเรื่องอะไรมันมันตัดตั้งแต่ความคิดคิดไม่ดีรู้ทันหรือไม่แต่คิดดีนะก็รู้ทันนะถ้าคิดดีแล้วบางทีคนทาตามความคิดที่ดีทั้งหมดเนี่ย บางทีก็ไม่ใช่จะทําให้โรคพอดีนะบาทีความเจตนาดีความปรารถนาดีของเราแต่ไม่ดูการะเทสะใช่ไหมมันก็ไปช่วยเขาแต่ทางที่ไม่ถูกก็ได้อย่างเช่นเราเห็นคนพิการรง ส, สารเขาแต่บทีไปช่วยเขาทุกอย่างคนพิการก็กลายเป็นคนงอมืององเท้าก็ได้ใช่ไหมเหมือนกับเลี้ยงเด็กอ่าตามใจเด็กทุกอย่างช่วยเขาตลอดทุกอย่างเขาก็ช่วยตัเองไม่เป็นดังนั้น แม้แต่ความเมตตาความกรุณาก็ต้องมีปวาบุเบลขามากำกับนะมีปัญญามากำกับอีกทีนึงเนี่ยนะวเนี้ยสติจะช่วยเกือนตรงนี้ได้นะที่จริงส ต, สตขงิของพ่อทั้งบุตรว่าสตินี้เรียกว่าเป็นทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะถ้ามีสติอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างอื่นก็มาตามมาเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่ามีสติอย่างเดียวมันพอหรอกแต่อย่างอื่นมันมาประกอบมันมีเข้ามาประกอบแต่ถ้าไม่มีสติ อย่างอื่นก็ถ่ายไปได้เช่นถ้าเรารักษาศีลไม่มีสติก็จะกลายเป็นภาษาพักก็มีเรียกว่าศีลศีลัสสัาาปปารามาสก<ม>นะารยึดมั่นถือมั่นในศีลในวัดในข้อปฏิบัติต่างๆหรือแม้แต่สมาธิถ้าไม่มีสติมาประกอบก็จะกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าอยากอยู่เฉยๆไม่อยากทําอะไรเอนะไม่อยากเข้าเกี่ยวกับใคร<ม>เป็นสมาธิที่ปีกตัวออกไปอืม แต่สมาธิที่มีสติก็จะเป็นสมาธิที่าจิตมันตั้งมั่นทํางานก็ได้ไม่ทําก็ไดนะ้แต่งานภายในมัมนทําอยู่ในการตามรู้ตามเห็นภายใจตัวเองจนะิตมันจะตื่นนะถ้ามีสมาธิมีแม้แต่ปัญญาก็เหมือนกันนะปัญญาก็ต้องมีสติเข้ามากากับเหมือนกันนะถ้าบางคนหนักในทางปัญญามากเกินไปก็กลายเป็นนักคิดนักวิเคราะห์นักวิจารณ์อะไรแบบนี้พอมี สติมากลั บ, บมันก็ไม่ไปคิดไม่วิจารณ์ไม่แต่ไขว่ควา้านธรรมะมันก็จะรู้จักย้ำย้ำชั่งใจว่าอันไหนไมีควรไหนไม่ควรนะมันก็จะเรียกว่าสติก็จะเรียกว่าทําให้องค์ธรรมต่าง ม, ม, ม, มันมันสมบูรณ์มากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทําอื่นไม่สําคัญสำคัญสํา ค, คัญเหมือนกันที่จริงพูดจากตรงไหนก็ได้นะพูดจากเริ่มต้นจากตรงไหนก็ได้ถ้าถ้าพูดให้มันครบทั้งหมดมันก็มันก็ได้ ก็ได้ทั้งหมดนะแต่อันนี้เน้นในภาคปฏิบัติเนะภาคปฏิบัติภาคปริยัติองศ์สอนกันได้หลายวิธีแต่ภาคปฏิบัติเนี่ยตัวสติก็เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างแต่ก่อนนะมาก่อนที่มาฝึกแบบนี้เมื่อทีเราเราไปฟังจากที่อื่นหรือว่าอ่านหนังสือจากที่อื่นบางทีเรื่องคำว่าสติเนะี่ยบางทีไม่ค่อยปรากฏเจอ บางทีเราก็ ร, รู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมคือการทําสมาธิทำครอบสงบแต่พอเอาเข้าจริงจริงอพอเรามาฝึกแบบนี้พอเรามาคล้ายๆมาพอเคลียร์หรือว่ามาอ่าฝึกแบบสติมากขึ้นที่จริงพอกลับไปฟังครบาจารย์อื่นท่านก็พูดถึงเรื่องสติเยอะเหมือนกั น, นะ <c oughs> <c oughs> แต่ตตอนแ่ก่อนเราไม่ค่อยได้ฟังหรือว่าฟังแล้วไม่ค่อยได้จับความ เ, เป็นประเด็นสําคัญหรือเป่ามัก็ เคฟังป outfits, เป็นแต่เรื่องสมาธิเป็นแต่เรื่องจิตสงบเป็นแต่เรื่องอะไรต่ in, h, au, างๆสารพัดนะแต่จริงพอกลับไปฟังจริงโอ้คุู้บาอาจารย์ทั้งหลายก็สอนเน้นเรื่องสติทั้งนั้นแต่บางคนอาจจะมีเรื่องสมาธิมาประกอบบางคนอาจจะมีเรื่องเมตตามาประกอบบางคนอาจจะมีเรื่องปัญญาพิณิชิเพลากมาประกอบด้วยแต่จริงก็ก็มีสติเข้ามาประกอบทุกทุกทุกภาคส่วนเหมือนกันก็จะเป็นเรื่องที่ ก็สำคัญกันๆๆอลวงพี่เขาสติมีมีมิาสติบ้างนะครับแบบโจนนไปบ้านนะฮเขาก็มีสติที่จะทำให้เงียบเงียบไปเลยมีไหมครับรั่วมีสำนมาสติก็ถ้าสติในทางภาษาไทยที่ใช้ทั่วไปบางที <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาก็ ครแบบนั้นว่ามีสติก็ได้ใช่ไหมตั้งสติตับสติก่อนขับรถไม่ประมาทเลยนะมันก็ที่จริงก็ไม่ใช่ว่าขับรถแล้วไม่ชนกันก็คือคนที่มีสติอันนั้นก็อาจจะขาดสติไปทางอื่นก็ได้ใช่ไหมขับรถไปคิดไปพอดีถนนมันโล่มันก็ไม่ชนกันก็โอเคมันก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมมันก็ ถ้าติในทางภาษาไทยแบบนั้นเรียกว่ามันมีสติแต่สติในทางธรรมะจิตต้องเป็นกุศลถ้าจิตเป็นอกุศลแ ล, แล้วไปทาสิ่งที่ที่ผิดอ่ะไม่เรียกว่าสติในทางธรรมเช่นมีมีครูโรงเรียนหนึ่งก็าพาเด็กมาอบรมเด็กเช่องแบบใบรุ่นเนาะขับไปมันก็เด็กไปอยู่หอพักึันมันก็ไปตั้งวงกินเหล้ากันกินเบียร์หรือกินเหล้าตรงโน้นนะครูก็ไปถามเด็ก จะทําอะไรกันน่ะอ๋อผมผมกินเท่าอย่างมีส ต, ตินะผมนะขณะที่จับแก้วก็รู้สึกตัวขนาดที่คืนลงไปก็รู้สึกตัวอะไรเนะี้ยมีส ต, ติไหมคิดมันเป็นเาตัวตนน่ะมันมันลืม่มของที่ไม่เป็นประโยชน์เข้าไปมันก็ขาดสติหรือไม่ได้โยนที่ยิงจะเลงคนได้เนะมันก็ต้องอาศัยสมาธิความแม่นยําไม่เสืเอออกไปที่อื่น แต่จิตเป็นอกุศลก็ไม่มีสติเหมือนกันคณะจิตต้องเป็นกุศลถึงจะมีสติหรือถ้าไม่เป็นกุศลก็เป็นกลางกลางเป็นอุเบกขารู้เฉยๆก็ได้นั้นมิจฉาสติอันเดินแบบขา้าวๆก็เป็นแบบนั้นแต่จริงแม้แต่สติแค่รู้แล้วใช่ๆรู้แล้ ว, ล ว, ลวไม่อยากเดินปัญญาต่อก็ถ้าในทาง สมัมะขสูงจริงๆกยง็ยังเป็นวิชาสติกันนะต้องรู้ตื่นเบิกบานรู้แล้วไม่ใช่จมแคทยับแค่รู้สิดส ร, ร, รู้แล้วก็เรียกว่ามันสะสมความรู้แล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาด้วยนี่นเป็นสัมมาถสติที่แท้จริงคือบางทีสติโลกรังโลกคือมันไปรู้รู้เรื่องภายนอกรู้เรื่องภายนอก รู้กายรู้ใจคนอื่นรู้สิ่งที่กำลังกระทาแต่ไม่ทันกลับมารู้ดูตัวเองว่ากำลังทำอะไรประกอบด้วยกุวตนไหมหรือว่าเป็นอาตุวตลเข้ามาครอบงำก็ถ้าเราเข้าใจแบบนี้นะก็ เ, ออเราจะชัดเจนบางทีการกระทาต่างๆมันก็ถ้าจิตเราเผลอไปก็ถาดจิตเถลอไปไม่ถึงไม่ดูตัวเอง ไปดูคนอื่นหรือถ้าดูตัวเองแต่แต่กับไปจมอยู่กับอารมณ์ก็ยังขาดสตินะไม่ใช่ดูจริงๆกนะ็คือไปจมกับอารมณ์อารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่ก็ไปจมอยู่ตรงนั้นก็ขาดสติเชนะ่นเดยวกันแล้วเวลาที่มันยกถ้าถ้าจะเรียกว่าเรายกมันกับสติที่ไหนหรือว่ากายกับจิตเรามันเป็นเรื่องเดียกันใช่ไหมถือว่าน่าสนานะ ที่จริงจิตมันรู้กายที่เคลื่อนไหวจิตมันรู้ว่ากายกําลังยกมืออยู่จิตมันทําหน้าที่เพียงแค่รู้แต่จิตไม่ได้เข้าไปยกด้วยแต่จิตเป็นองค์สำคัญเบื้องต้นมันสั่งแต่พอมันเบื้องต้นมันสั่งเช่นสั่งนี่ยกแต่มันไม่ใช่สั่งตลอดอะพอสักพักไปมันจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ที่เหมือนไม่ต้องสั่งแต่มันจิตทําหน้าที่เพียงแค่รู้เฉย มือนคล้ายๆเราเหมือนกับเครื่องจักรอ่ะก็กดสวิตช์ครั้งเดียวอันนี้มันก็ไปกับมันเองแต่หน้าที่ของเราก็คือเราก็รู้มาตรงนั้นมันไม่ได้สั่งทุกครั้งถ้าสั่งทุกครั้งมันจะเป็นการคำนวณเช่งสั่งให้พลิกสั่งให้ยกสั่งให้หยุดหรวอแต่จริงมันก็มีการสั่งแต่มันเป็นการสั่งในระดับติดหรือแต่มาติดใช้ถูกหรือเปล่าท่านถ้าทางสมองมันก็เหมือนกราสั่งแบบ มันโปรแกรมไว้ในสมองแล้วก็สั่งให้ยกมือแบบนี้ไปแต่ในขณะที่มันยกไปจิตมันก็ไม่ต้องไปทํางานในการไปสั่งแล้วมันสั่งคําสั่งตอนแรกก็ต้องจะทํามันเองนอกจากบางทีมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นการสั่งในทีนึงแต่จิตหน้าที่ที่มีสติคือจิตไม่ใช่เป็นจิตเข้าไปสั่งถ้าสั่งมันจะเป็นการอะไรละ่ะวิจารสร้างอัตราเป็นการบังคับบัญชาแต่หน้าที่ ที่เรารู้จริงต้องรู้แล้วเห็นว่ามันไม่สามารถบังคับเป็นชาได้สติมีแค่หน้าที่เพียงแค่รู้การเสด็จส่ ง, ส ง, งกายที่เคลื่อนไหวตอนนั้นจิตมันรู้กายกายมันเคลื่อนจิตเป็นคนรู้จิตเนี่ยเป็นตัวรู้จิตที่มีที่ประอกอบด้วยสติจะมีตัวรู้ใช่จิตหน้าที่เพียงแค่รู้ทอนนั้นเป็นภาตรู้นะจิตนี่เป็นภาตรู้นะ ช่วงที่เราไม่รู้ก็คือเราขาดสถ้าเราไม่รู้แล้วก็ไปอยู่กับอารมณ์เขาก็ไปอยู่กับมือกับแขนกับขาถ้าเราไม่เคลื่อนรยสติกนก็สามารถมีได้ก็สามารถมีได้ถ้าเรารู้กายรู้ใจตัวเองได้จริงๆก็สามารถมีสติได้บางทีมันไม่รู้กับการเคลื่อนแบบนี้แสดงว่าถ้าเราจะรู้คือเราต้องมีการรู้ขึ้นในจิตเรามันจะเรว่ามี ใหม่ๆจะรู้สึกก็เหมือนกําหนดรู้แต่พอทําไปเรื่อยมันรู้ของมันเองใหม่ๆเราคล้ายๆเราตั้งใจที่จะรู้ตั้งใจที่จะรู้สึกตัวแต่พอทําไปสักสักระยะหนึ่งนะมันจะมีสติที่เป็นธัตุโมัติมันจะรู้ของมันเองไม่ต้องไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องจงใจอะไรเลยไม่ต้องกําหนดอะไรเลยมันรู้ของมันเองแค่เคลื่อนก็รู้ละกระทบก็รู้คิดไปก็รู้ละไม่ต้องไปตั้งใจ บางทีคำว่ารู้ตัวทุกพร้อมไม่ใช่การรู้ทั้งตัวเนะแต่บางจริงๆถ้ารู้ตัวทั่วพร้อมจริงๆก็หมายของเซียนมาเข้าใจนะก็คือจะทําอะไรก็รู้สึกตัวแต่ไม่ใช่ว่าไปรู้ทั้งตัวอ่าแต่ทําอะไรก็รู้สึกตัวอันนั่นแหละคือความรู้ตัวทุกพร้อมซึ่งไม่ต้องตั้งใจที่จะรู้จะทํำใช่ไหมนะมันเกิดความรู้ของมันเอง แต่ว่ากายก็ตามหรือว่าใจก็ตามแล้วก็มันจะเห็นได้ว่าธรรมชาติของตัวรู้มันก็ไม่สามารถเรียกว่ารู้แค่อย่างเดียวอะไรที่เขาเด่นในตอนนั้นเขาก็รู้ของเขาเองไม่ใช่เราไปบังคับว่าเธอจะต้องรู้มืออย่างเดียวเธอจะต้องรู้ใจอย่างเดียวไม่มีใครบังคับแบบนั้นได้ถ้าบังคับแบบนั้นได้ไม่ใช่สติตัวจริงนะสะติจะไปบังคับว่าจะต้องรู้แต่ใจตลอดไม่รู้กาย น, นั่นไม่ใช่สติแต่จริงอแต่สิ่งที่เราทาั้งคือว่าแต่มันก็มีเหตุที่ทําให้มันรู้เช่นบางคนนั่งเฉยๆใจมันลอยคลุ้มคลนไปง่ายๆหลวงพ่อเทีย น, นก็เลยบอให้เราพยายามเคลื่อนไหวบ่อยๆที่มือบ่อยให้ปลุกท่ารู้ตอนนี้เก็บพฤติกรรมปลุกคือถ้าเรานั่งเฉยๆบางทีมันคิดไปคือประจมกับอารมณ์นะพอทำอํำแบบนี้พอ พอกระทบสัมผัสม well, like, ังก so ็ร <estr opinions> ู Maybe, ้ใช่ไหมมันปลาตรู้ไม่ได้ตั้งใจรู้แต่พอสัมผัสมันรู้พอมีเส้นมันรู้เดินก็เหมือนกันเดินมัก็รู้แสดงวก็ธาตรู้มีมีมีจิตเราอยู่แล้วแต่เรื่องักสุดก็ุดแล้วก็มีหลักหลักมีอยู่แล้วใชมีอยู่แล้ว้ารู้มีอยู่แล้ว หายไปไหนแล้กวก็ความหลงความความหลงความเผลอนั้นแหละทำให้ความรู้มันไม่มีมันถูกกดไปถูกกดกไปบางทีพพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเทียเหมือนพระอาทิตย์กับกับเมฆที่มานมาบังความหลงมันก็มาบางังโลกทา ว, วนะันน่ะก็เป็ น, นแบบนี้แต่จริงคนทั่วไปเมฆมันหนาเห <c oughs> <c oughs> มือนกับตอนนี้ยหละนะดวงอาทิตย <c oughs> ์เออเมฆ ดวงทีแทบจะไม่เห็นเลยนะเมฆมันก้ อ, อนนี้มันเคลื่อนมาแล้วเคลื่อนไปก็มีก้อนใหม่เข้ามาก้อนอยู่เป็นประจำที่จริงก็เป็นเหมือนั้นแหละแต่จริงมันมีอยู่ความสว่างคว า, างดแต่จริงแค่เราคล้ายรู้สึกตัวข้างหนึงแบกเมฆประมาณนิดนึงแบกประมาณนิดนึงแต่มัเมฆก้อนใหม่ก็มาบังเร่งเร็วก็แค่นั้นแหละแต่ดีกว่าไม่แบกนะถ้าไม่แบกนี่คนก็จะรู้สึกว่าธรรมดา คนมันต้องคุกแบบนี้แหละต้องหลงแบบนี้แหละไม่สามารถออกจากความทุกความหลมได้แต่การฝึกก็ทําให้เราแบกแบกใหม่ๆมันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักแต่พอทํำเรื่อยๆมันกลับเป็นของมันเองนะไม่ใช่ว่าหมันไม่มีเมฆแต่แต่การที่มันขจัดเมฆมันเป็นของมันเองมันมันต่างเลยแต่ก่อนเรารู้สึกว่าเมือนเราทำอะไรก็แล้วแต่บางทีทำใหม่ๆมันรู้สึกว่าลาบากนะ ขี่จักรยานขับรถยนต์นะรู้สึกมันลาบากเป็นพาระคงทําไม่ได้หรอกเพราะว่าก็มีใช่ไหมแต่พอทําไปแล้วมันก็พอทําเป็จมนก็ไม่ดีห่างหรอกใช่ไหมแต่บางคนใช่ไหมส ม, มาวาก็เป็นทุกคนแต่การปฏิบัติธรรมมันก็สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่หยาบหยาบมันก็จะผ่านไปได้ก่อนใ้ตัวละเอียด ในตัวที่เป็นกลางๆตัวที่ละเอียดก็จะมีเยอะเหมือนกันบางทีอที่เรารู้สึกว่ามันดีแล้วถูกแล้วบางทีคอละเอียดไปจริงมันก็ยังมันก็ยังเจือด้วยความอยากเจอด้วยความหลงอยู่ค่ะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะยากเกินไปนะแต่มันมีระดับขั้นของมันแหละที่จริงรู้ว่าตัวเองไม่รู้รู้ตัวเองหลงนะ่หละมันมันถูกทางเพราะ อ, อะไรมันจะทําให้เราเห็นอ๋อยังไม่ประมาทในการเตินทาง ไม่ต้องกัวลมันรู้อยู่แล้วแต่ดินแล้วค่อยๆปุกธาตุรู้หนึ่งธาตุถ้าธาตารู้แลกี่เดชเปลาเปล่าถ้ากี่เดชมันยังหนามันคล้องงำอยู่ก็คือธาดุูไม่ได้เสือมไปที่ไหนนะธาตุรูไม่ไเสือ่อมแบบแต่ดินแต่ ว, ว่ากี่ดเดชมันมาบางังเจยๆเหมือนน่ะเหมือนสมมติถ้าพื้นดินแล้วมัน ม, นมีมันมีหญ้าคุมถ้าหญ้าคุมมากๆต้นไม้ ก, ก็ไม่โต แล้วก็ต้องทางย่าบ้างกิเศษบางอย่างก็ถ้ารู้ทันมันก็ดับไฟแต่บางอย่างยังรู้ทันไม่ได้ก็ข่มมันได้ก่อนผมไว้เช่นมันโกรธเขาอยากจะด่าเขาเนะี่ยก็ข่มปากไปก่อนกนะ็เขาช่วยยังไม่ได้ดีก็ด่าออกไปแล้วมาเสียใจภายหลังใช่ไหมอันนี้ถ้าผมทันแต่ถ้าผมไม่ทันเผล อ, อ, อไปแล้วก็มีทันติรู้ทัน ใจที่เสียใจตามหลังนั้นจบไปบางอย่างก็ข่มบางอย่างก็ก็รู้บางอย่างก็ละก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าสภาวธรรมนั้นมันจะมีอะไรเข้ามาทั น, นแล้วก็รับงับได้แต่ก็อย่าไปกังวลนะบงทีเราจะกังนวลว่าทําไมความโงความความไม่รู้ความโง่มันเยอะ บางทีเราไปคล้ายๆไปให้ค่ายตัวตัวกิเลสตัวความหลงแต่จริงถ้าเราสังเกตถ้าเราไม่มาฝึกมาปฏิบัติเราจะไม่รู้สึกเลยว่าวันวันหนึ่งเราหลงมากขนาดนี้วันวันหนึ่งมันมีกิเลสอาถรรเกิดขึ้นมากมายขนาดนี้บางทีแค่นี้นิดหน่อยบางทีทั่วคนทั่วไปไม่รู้นะสมมติมแค่สมมติอยากจะได้กินอาหารเนี่ยความอยากอยากจะกิน มัก็เกิดขึ้น ท, ทั น, นทีบางคนคิดว่าการหาอะไรอร่อยอร่อยมาสนองสนองปากสนองความอยากคือสิ่งที่ถูกต้องก็งมีเงินนี่เรามีสิทธิ์ชอบทมในการซื้อในการหาแต่ถ้าเห็นไม่แต่มีเงินแต่พอเห็นว่าความอยากมันพาทํามีเงินก็ไม่ทํานะสินจริงจริงต้อเกิดแบบนี้นะมีโอกาสที่จะทําตามตามกิเลสทางสัณหาหรือว่าทําผิดแต่มันยับยัง้งทางใจได้เนะี่ยคือความมีสิน อืมมีสิทธิ์ที่จะดูอย่างบางคนพอไม่มีความยกบย่างชั่งใจเนี่ยอย่างสมมัยนี้อย่างอินเทอร์เน็ตมันเปิดกว้างมากเด็กถ้ามีความยกบยั้งชั่งใจมันก็ไปดูอะไรที่มันไม่ดีใช่ไหมแต่บางคนถ้ามีผู้ใหญ่เออมีสติมากคือมารู้ว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรใช่ไหมเนี่ยคือความยกบยั้งชั่งใจมันไม่ได้เกิดจากมีใครมาบล็อกแต่เราต้องรู้จกักอ่าควรไม่ควรของเราเองเนะี่นคือความมีสิิ์ บางทีก็ไม่ต้องวอนว่ากิเลสมันเยอะนะไม่เป็นไรหรอกบางคนกิเลสมากบางคนกิเลสน้อยแต่คนที่มีกิเลสน้อยก็ไม่ใช่ว่าก่อนนั้นนนั้นเขาเขาจะมีน้อยมาแต่ไหนแต่ไรมันก็เกิดจากการผัดเกาองเพาเนะั่นแหละบางคนเรารู้สึกเอ้สมัยคนนี้ดูดูใจเย็นดูใจดีดูไม่ค่อยดิ้นรนสักข้อใดอยนะ่างเงี้ยดูมีธรรมะธรรมโนตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็มันก็อาจจะเกิดจากการผัดเกาตั้งแต่ ก่อนหน้านั้นหรือว่าครอบครัวประเด้งมาดีเขาก็เป็นแบบนั้นแต่บางทีเราก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบคนอื่นที่จริงทำปฏิบัติทาําทไม่ต้องเปรียบเทียบคนอื่นที่จริงกิเลสมากกิเลสน้อยบางทีก็ไม่ให้รับรับประกันว่าคนนั้นจะบรรลุธรรมเดียวกันบางคนกิเลสน้อยนะแต่เอื้อตเหยื่อลอยชยัยสบายส บ, ยสบยแล้วก็ไม่พัฒนาตัวเองก็บางทีก็จมแค่อยู่ตรงนั้นก็มีนะอแต่บางคนกิเลสมาก ทุกมากมันบีบพันบีบพัน์หนให้ออกจากความทุกแสงก็มีนะแสงหน้าคนออที่เครเดิน้อยเตาก็ตก ต, กตายแบบกระต่ายเขาหัววิ่งเร็วเลยหลับสัเพลินไปก็เลยไม่ไปไม่ทันเอ า, อา ง, ง่ายเอาชีวิตจริงก็ได้อย่างบางคนเรามีเพื่อนมีฝูงก็ดูเขาก็าดูดีๆนะแต่ถ้าให้โมช่วยปฏิบัติทําก็รู้สึก ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะชีวิตก็รู้สึกว่ามันก็สุขๆอยู่มากอาจจะมีทุกข์บ้างแต่ก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่ใช่ไหมก็ขอใช้ชีวิตแบบเติมเติมแบบนั้นไปดีกว่าใช่ไหมก็ทําให้มันก็ดีในระดับหนึ่งแต่มันจะมีสิ่งที่ดีสูงกว่านั้นใช่ไหมเขาก็ไม่คนควายแต่บางคนอาจจะมีปัญหาชีวิตเจอ ค, ความทุกข์มากมันก็คนควายในการที่จะดับทุกข์แก้ทุกข์ใช่ไหมก็จะเป็นคนดีเห็นเห็นบางคนพูดอย่างนี้ครับ ขอเออนิพานต้องการแต่ว่าขอไปอยู่สวรรค์อีกห้ารอยชาติก่อนเออ <c oughs> คือคือเหมือนกับมีการต่อรองไงหรือหรือแบบว่าเออดับทุกข์เอาแต่ว่าดับกิเลสยังยังยังไม่อยากดับอะไรเงี้ยเออใช่ไหมคือยั ง, ย, งยังอยากมีกิเลสแต่ว่าดับทุกข์ดับทุกข์ก็ต้องการี่ยแต่ยังไม่ต้องการแบบรวดเร็วอะไรเงี้ยใช่ไหม เ ร, เราอย่าเราอย่าไปตั้งข้อแบบนั้นแล้วแสดงกั น, ม, นมันมีเดี๋ยวนี้เพราะว่าพวกสมาทานไอ้พวกคุณนิยมวัตถุนิยมเข้าไปเยอะๆแล้วมันไปเห็นว่าเออให้ไอ้นี่ดีเว้ยคือเห็นกิเลสเป็นของดีไปมั้เออกว่าเอ้ยดับทุกข์เอาแต่ว่ากิเลสขอมีอยู่ก่อนใช่ไหมฮะคือเหมือนกับว่านิพพานก็ชอบแต่ว่าขอไปอยู่สวรรค์จ้าห้ารอยชาติก่อนอะไรองี้ เหมืกับรอรอก่อนอะไรองนี้ท่านท่านที่ว่าเออเรารักโงไปเลยไม่เอาขอออบขอไปทางโน้นท่าร้ชาติก่อนอะไรงนี้ก็ไม่เป็นไรพอเราได้ยินเรื่องราวคนนี้เราก็โงแทนเขาก็พอโ <c oughs> ง่แทนเขาคนไหนพอพูดได้ก็พูดบอกกันพูดไม่ได้ก็ต้องวางใจเอ๊ะคนนี้มันเป็นเรื่องเรื่อเฉพาะตัวเนาะบางทีไม้แต่อคนที่เราหวังดีขนาดไหนแต่ถ้าเขา ไม่เห็นด้วยไม่เห็นว่าชีวิตนี้มันเป็นสุกข์จริงๆแม้แต่สวรรค์ก็ยังทุกข์ถ้าไม่เห็นตอนนี้มันก็ยังอยากไปสวรรค์เป็นธรรมดานอะกจากข้าทุนที่เปิดปัญญาก็ใช่ที่จริงก็มันก็มีทั้งศีลสมาธิปัญญาที่เนี่อยู่พร้อมทั้งหมดนั่นแหละมันก็มันก็ประกอบกัน มันรู้ตัวแล้วก็ไม่ทําจิตสินจีตก็เป็นตัวกระชิอยู่มันคงอยู่มันก็ประกอบทั้งสิ้นส ม, สมาธิปัญญาแหละแต่มันยังไม่ใช่ตัววิมุตติคนนะเพราะถ้าตัววิมุตติคนจริงๆมันก็ต้องแม้แต่ตัวที่มันรู้มันก็ไม่ยึดตัวรู้เหมือนกันแต่เป็นตัวประกอบที่สําคัญในการที่จะทำให้ให้ปัญญ า, าเต็มที่มูลความสมจริง ฟังแล้วก็เป็ปฏิบัติด้วยก็เอาไปไปฝึกต่อแล้วกันเนา ะ, ะเพราะว่าก็าทําได้เป็นเด็กเพียงคู่กอ่อแล้วก็มาปฏิบัติเป็นเพื่อนแต่พวกเราหลายคนก็ดูแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นผู้เข่าในการปฏิบัติอยู่ก็มีความพยายามมีความตั้งใจในการภาวนาหลายปีกันแล้วหลายคนเห็นหน้าหลายปีแล้วก็มีความตั้งใจในการภ า, าวนะ า, นนน า, าแาต่ใในนคนที่เป็นคนใหม่ก็ไม่เป็นไรสรํา แต่เรามาแบบเนี้ยมันดีเพราะว่าอะไรสมัครใจมาเองไม่ใช่มีใครบังคับมาเพราะนั้นเราต่อไปก็สมัครใจปฏิบัติเองนะไม่มีอาจจะไม่มีเพื่อนปฏิบัตินะอยู่ที่บ้านหรือเโดดเดียวเดียวดายคนอื่นก็ดูหนังฟังเพลงหมดอแต่เราก็เลือกเอาเลิกกันเนาะเลือกเอาเพราะว่าตัวนี้จะเื่อยให้เราเอาอกจากวามรุูสักจริงๆนะรู้าจักเดือนโนอาไหมอ๋อผมยังสนัด ระวังเนี่ยน้ำาสท่วมโลกไัยพิบันจะเกิดขึ้นเรือนออาของชาวพุทธก็มีจริงนะคือบุญคือบุญกุศนที่เราทำนี่แหละนะมันมันจะทำให้เราข้ามข้ามวิกฤตต่างๆได้วิกฤตทางโลกอาจจะน้ำไม่ท่วมก็ไม่เป็นไรแต่วิกฤตในทะเลของความทุกข์ คุณตัวตนเนี่ยจะทาให้เราข้ามคนได้นะอืมอตัว น, นั้นเป็นแท่อุปมาเป็นเรือมีเซเบียมีอะไรต่างๆนคะนก็ไปกลัวกันไปแต่จริงคุณตัวตนที่เราทำนี่แหละนะจะทําให้เรา้นจากวัฏสงสารแล้วก็แม้จะมีปัญหาแม่น้ําจะขูดไม่จะประสบอุบัติเหตุอะไรต่างๆว่าไม่ทําให้จิตใจเรา้นจากต้นนั้นได้จะลอยนะอั น, นั้นล อ, อยเหนือความทุกข์นะเหนือความทุกข์ ไม่มีอะไรก็จะขาดพักกัน